และสเสวิตอสเดรคือม้าขาวในปัญจาละภาคใต้ซึ่งอยู่ในเขตปกครองของกษัตริย์แห่งกัมปินละพระองค์ใหม่เมือ่อทรงปุโรหิตไปพิจารณาแล้วเป็นช้างในสกุลบุญทริกมีสีกายดังดอกบวัวขาบมีสีสะใหญ่และงาสัน้นเป็นช้างมีแหล่งกำเนิดในทิศอาคเนนับว่าเป็นช้างมงคลในสกุลพรมพงษ์ทั้ง8ส่วนสเสวตอสเดร น, นั้นเล่า

ก็มีลักษณะงดงามประศากตําหนิพระราชาหนุ่มแห่งกัมพิละทรงมีปีติสมนัตเป็นที่ยิ่งทรงรำลึกถึงพระคุณแห่งพระเจ้าสุรสีนะซึ่งประธานพระสมบัติแย่โปร่งและทรงเอื้อเฟื้อด้วยประการอื่นอีกเป็นอันมากไม่ได้ทรงถือสาพยาบาทในการที่พระบิดาผู้สวรรคตได้ยกทัพไปรุกรานอายุธยาหลายคราวเห็นเป็นโอกาสเหมาะ

ที่จะถวายสเวตนาคและสเววอาสเดรทั้งคู่นี้ประดับพระบารมีให้เป็นที่ปรากฏสื่อไปจึงให้แต่งทูดมีราชสารพร้อมทั้งได้นำมงคลหัตถีและมงคล อ, อนอสเดรไปถวายยังพระมหานครอยุธยาใจความในพรารชสารนั้นเล่า

พระเจ้ากุงกัมิละทรงรำเริ่ถึงพระมหากรุณาในพระมหาษัตย์แห่งอโยธยาเมื่อได้มีผู้พบมงคลหัตถีสกุลบุญทริกและมงคลอัสดร อ, อันมีสีเผือกผ่องสมควรเป็นราชพานะในแคว้นปัญจญละจึงขอส่งมาถวายด้วยประสงค์ว่าสเสวตนาคพญาช้างเผือกนั้นจะได้ฝึกไว้ใช้ในราชขชาทานส่วนสเสวตอัสดรเล่าก็อาจฝึกไว้ใช้

เป็นราชภานะหรือถ้าทรงปรารถนาจะประกอบยันยพิธีอสวเมตประกาศพระเดชานุภาพโดยส่งเสวีอสดร น, นั้นให้ไปในที่ต่างๆแล้วยกกองทัพตามไปยึดครองคามนิคมจนบทราชธานีต่างๆกองทัพกัมปินละก็พร้อมที่จะสนองพระคุณสมทบไปด้วยในที่สุดแห่งการแผ่พระเดชานุภาพสเสวีอสดร น, นั้นก็จะได้ใช้เป็นสัต

สำหรับค่าสังเวยในยันยพิธีเพื่อเป็นสวัสดิมงคลตามโบราณราชประเพณีสืบต่อไปพระเจ้าสุรเสนทรงโสมนัสในเมตรีของกัมปิล่าอย่างยิ่งตรัสให้มีพิธีการต้อนรับคณะทูตกับสเสวตนาคแล ะ, สะเสวัสดรเป็นการเอก ร, เริกสมพระเจียดติแล้ว

ให้ประชุมเสนาพฤฒามาต ร, ราชบริพานประกาศพระราชปารลบในการนี้ว่าผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้พระราชาแกรมปิละผู้เป็นเชื้าโอรสของพระราชาเดิมผู้สิ้นพระชนม์ชีพในสงครามกับอยยธยาได้มีความปรารถนาดีส่งช้างเผือกและม้าขาวมาให้ครับพระเจ้าด้วยถือว่าจะได้ประดับบา ร, รมี

พระพเจ้ามีความยินดียิ่งในมัยตรีกิจแห่งพระราชาพระองค์นั้นและทำให้เห็นว่าความดีที่อยุธยาได้ทำไว้ด้วยการไม่ข่มเหงเฉลยแต่ยกย่องให้เกียรติและด้วยการไม่พยาบาทอาฆาตแต่กลับมอบให้ครองราชสมบัติสืบแทนพระราชบิดาผู้ผิดบัตรนี้ได้กลับสนองเป็นผลดีจอยุธยาเองเป็นการแสดงว่าไม่ว่าในสมัยใด

ความดีงามที่กระทําต่อผู้อื่นย่อมเป็นสิ่งพึงปรารถนาผู้เจริญทั้งหลายตัวข้าพเจ้าเองนั้นไม่มีความประสงค์ที่จะได้ช้างหรือม้ามงคลเหล่านี้ไว้ประดับพระบารมีหรือเพื่อแพ่อนุภาพอย่างไรเลยตามความเข้าใจของคนทั้งหลายช้างเผือกย่อมมีค่าสูงยิ่ง

ไม่อาจประมาณเป็นทรัพย์สินได้จึงยกกองทัพเข้ารบ ก, กันเพื่อจะได้ช้างเผือกไปสู่เมืองของตนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงคิดจะส่งคืนช้างนี้กลับไปให้เป็นเครื่องประดับบา ร, รมีของกษัตริย์กัมปินละต่อไปจะรับไว้แต่มา้าเพื่อมิให้เป็นการปฏิเสธของให้เสียทั้งหมดและม้าขาวที่จะรับไว้นี้ก็มิใช่เพื่อประกอบพิธีอัศวเมตยอันจะต้องฆ่าม้านั้นในภายหลัง

และจะต้องก่อสงครามแย่งชิงดินแดนทุกแห่งที่มานั้นจะผ่านไปผู้เจริญทั้งหลายเราทั้งหลายผู้เป็นผู้เคารพและปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ควรถือมงคลภายนอกให้ยิ่งกว่ามงคลภายในคือความประพฤติดีปฏิบัติชอบของเราเองแม้ช้างหรือม้าจะมีลักษณะพิเศษมีอยู่ในครอบครองของเรา

แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตนในทางที่มีสวัสดิมงคลช้างหรือม้านั้นจะช่วยอะไรได้แม้จะไม่มีช้างหรือมา้าลักษณะดีนั้นๆเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติตนในทางที่ดีงามก็จะมีสวัสดิมงคลยิ่งกว่ามีช้างหรือม้านั้นไว้ด้วยเหตุนี้คราบพรเจ้าจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้สร้างช้างและม้ามงคลขึ้นภายในโดยไม่ต้องมีช้างหรือม้าจริงหากสร้างด้วย

การตั้งตนไว้ในธรรมที่ชอบไม่เบียดเบียนใครมีแต่เมตตากรุณาต่อกันก็จะชื่อว่าได้ปฏิบัติตามโอวาทของสมเด็จพระบรมศาสดาอย่างดียิ่งผู้เจริญทั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่าอสรดรที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐ

หมาสินทบอาชานายที่ฝึกแล้วก็เป็นสัตว์ประเสริฐพญาช้างกุญชรที่ฝึกแล้วก็เป็นสัตว์ประเสริฐแต่มนุษย์ที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้นแสดงว่าในศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดานั้นไม่ได้ถือว่าสัตว์ทั้งหลายประเสริฐกว่ามนุษย์และมนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วถือว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดดังนี้เราทั้งหลายจึงควรสนใจ

ในการฝึกตนเราเองตามแต่จะสามารถทำได้เพราะฉะนั้นการที่ข้าพเจ้าจะคืนช้างเผือกไปท่านทั้งหลายจึงไม่ควรเสียดายหรือเหตุเป็นของแปลกอย่างไรเพราะถ้าเราช่วยกันฝึกตัวเราเองแต่ละคนให้ดีแล้วก็จะเป็นเสมือนหนึ่งมีช้างเผือกและม้ามงคลอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองโดยไม่ต้องสร้างโรงและหาคนมาเลี้ยงผู้เจริญทั้งหลายอหนึ่งยันพิธีทั้งหลาย

ที่นับถือกันมาแต่บุรณการที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนมนุษย์และสัตว์ที่เป็นไปเพื่อความมักใหญ่ไฟสูงแย่งชิงดินแดนของผู้อื่นยันพิธีนั้นๆย่อมมีใช่วิสัยที่เราทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะพึงรักษาเอาไว้หรือนํามาใช้ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายความตกลงใจที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้ท่านทั้งหลายจะเห็นเป็นประการไร

เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านพระเจ้าสุรเสนะจึงได้แต่งพระราชสารถึงพระเจ้ากรุงกัมปินละตอบขอบพระหฤทัยที่มีไมตรีจิตส่งช้างและม้ามงคลไปให้และทรงเห็นว่าช้างเผือกนั้นมีค่ายิ่งสมควรที่จะเป็นสมบัติของกัมปิละสืบไปจึงให้คืนมาและทรงรับไว้แต่สเวิตอสเดอเพื่อฝึกไว้เป็นราชผานะไม่มีพระราชประสงค์

จะประกอบพิธีอสศวเมธลุกรานคามนิคมชนบทราชธานีอื่นๆอันหนึ่งในการนี้ได้พระราชรานชางแลม้าที่ฝึกดีแล้วมาด้วยอย่างละคู่กับได้ส่งคณะอำมาตย์ผู้ชำนาญการต่างๆมาช่วยเป็นที่ปรึกษาในการสร้างกับปิละให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอโยธยามหานครโดยจะให้พักอยู่ในกรุงกมปิลละเป็นเวลาสามปี

เมื่อได้ฝึกผู้คนของกัมปิละได้ดีแล้วก็จะกลับสู่อยยธยาตามเดิมครั้นแต่งพระราชสารแล้วก็ให้คณะทูตออกเดินทางไปพร้อมกับทูตของกัมปิละนำสเสวตนากลับคืนพร้อมทั้งช้างม้าที่พระราชทานกับอํมมาศผู้ชำนาญการคณะหนึ่ง

เป็นการเจริญพระชม a ตรีระหว่างสองรัชธานีเสีอไปอันหนึ่งได้ทรงขอร้องพระภิกษุสงฆ์ให้ช่วยจัดคณะสงฆ์จาริกไปสู่แคว้นปัญจาละทั้งภาคเหนือและภาคใต้โดยคัดเลือกภิกษุผู้ได้เล่าเรียนพระประยะิยัติธรรมและสนใจในการปฏิบัติธรรมประกอบเป็นคณะแยกย้ายกันไปเป็นการช่วยแผ่พระธรรมเสนาของพระบรมศาสดาให้แพร่ไปเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น

ทั้งได้ขอให้คณะภิกษุผู้จารีกไปเหล่านั้นได้โปรดติดต่อคณะสงฆ์ผู้อยู่จำณถิ่นประเทศนั้นๆให้ได้มีการเดินทางจารีกไปมาระหว่างสาวัตถีกับที่อื่นๆเพื่อทราบข่าวความเป็นไปของสมเด็จพระบรมศาสดาด้วยอีกส่วนหนึ่งพระเจ้ากรุงกัมพิละทรงทราบพระราชสารก็มีพระชารุไทยสมนัตนิยมในคุณธรรม

แห่งพระเจ้าสุรเสณะยิ่งขึ้นเมื่อทรงเห็นตัวอย่างแห่งพระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมเช่นนั้นก็สนพระชฤษไทยที่จะเจริญรอยตามทรงทราบวา่าอโยธยามีใช่แต่จะเจริญด้วยสิ่งของภายนอกเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมความเจริญทางจิตใจก็ทรงพยายามศึกษาพระพุทธศาสนาสนับสนุนสังฆมณฑลให้ได้สะดวกในการสั่งสอนมหาชนในพระนครและในขามนิคมทั่วไป

รังนั้นธงชัยแห่งกาสาวพัฒก็สะบัดโบกรุ่งเรืองในกัมพิลละเป็นพิเศษอีกแห่งหนึ่งต่อจากอโยธยามหานครข่าวเรื่องกัมพิละได้ช้างเผือกสกุลบุญทริกทราบไปถึงกษัตริย์แห่งชัตราวดีผู้เป็นอาของพระเจ้ากัมพิละทั้งทรงทราบด้วยว่า

พระเจ้ากรุงกัมพิลาทรงส่งช้างนั้นไปถวายพระเจ้าสุรเสนะแต่ก็พระสถานคืนมาให้เป็นคู่บา ร, รมีของพระเจ้ากรุงกัมพิลาเสียไปกษัตริย์แห่งชัตราบดีหลากพระไัยในกษัตริย์ทั้งสองคือกษัตริย์ใงกัมพิลาและอยุธยาว่าชะรอยจะเป็นเด็กไม่รู้คุณค่าอันประเสริฐของสเสวตนาคเช่นนั้นเปรียบเหมือนไก่พบพลอยก็เห็นเมล็ดข้าวเปลือกว่ามีประโยชน์กว่า

อันช้างเผือกสกุลบุนตริกนี้เป็นของมีค่าควรเมืองเมื่อกัมปิละและยุธยาไม่เห็นคุณค่าก็ไม่สมควรอยู่ในนครในนครหนึ่งควรที่จะขอมาไว้ในชตราวดีสืบไปจึงให้แต่งพระชสารถึงพระเจ้ากรุงกัมปิละผู้เป็นหลานปรารบความที่ทรงทราบว่ากัมปิละได้ค้นพบช้างเผือกจึงส่งไปถวายพระมหากษัตริย์แห่งยุธยาบัตรนี้ยุธยา

ก็ไม่ต้องการช้างนั้นจึงส่งคืนมาเมื่อทรงทราบว่ากษัตริย์ทั้งสองต่างก็ไม่ต้องการช้างนั้นเพราะต่างให้กันไปให้กันมาอยู่และทรงเห็นว่าชัตราบดียังไม่มีมงคลหัตถีเห็นป่านนั้นจึงใคร่ที่จะขอรับไปไว้บำรุงเลี้ยงในกรุงชัตราบดีครั้นแล้วก็มอบให้คณะทูตนาเครื่องบรรณาการเป็นอันมากเดินทางไปยังกรุงกัมพิลาโดยด่วนพระเจ้ากรุงกัมพิล

ในรับพระราชสารของพระเจ้าอาทราบความตลอดแล้วก็สั่งให้จัดที่พักให้คณะทูตพักอยู่เป็นอันดีทรงพิจารณาข้ามูลไปก็ยิ่งทรงเลื่อมใสในพระราชริยาของพระเจ้าสุรเสณะยิ่งขึ้นหากเป็นด้วยทรงมีพระราชฤทธัยสูงมีเหตุผลที่ว่าบุคคลผู้ฝึกเตินมนี้แล้วประเสริฐก่าสัตย์จึงทรงกลับคืนมาบัดนี้พระเจ้าอากลับทรงเห็นว่า

กษัตริย์ทั้งสองพระนครมิได้รู้คุณค่าแห่งมงคลหัตถีจึงส่งทูตมาขอไปไว้นาชตราบดีเสเองเมื่อพิจารณาไปทรงเห็นเหตุผลตามพระเจ้าสุรสนณจึงตกลงพระจชไทยจะไม่ห่วงช้างนั้นไว้ด้วยถือว่าถ้าจัดบ้านเมืองให้ดีแล้วแม้ไม่ต้องมีสเสวิตากุญชรก็ยิ่งดีกว่าการมีช้างเช่นนั้นแต่ปล่อยปละไม่เอาใจใส่ทานุบํารุงรัษฎรให้เป็นสุข

เมื่อเป็นที่ตกลงกันดังนั้นจึงทรงเรียกคณะทูตเข้าเฝ้าตรัสบอกความที่พปรง่งจะถวายสเสวนาคนั้นไปตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าอาครั้นแล้วจึงได้แต่งพระราชสารจัดเครื่องบรรณาการทรงทูตไปรพร้อมด้วยช้างเผือกสกุลปุรนทริกด้วยสักการะอันยิ่งใหญ่อันแสดงถึงความที่คุณธรรมได้เข้าครองกับปิละแล้วโดยแท้จริงจึงไม่ได้ทรงกระทำให้มีเหตุขุนข้องระหว่างกับปิละ

กับชตราวดีโดยไม่จาเป็นกระสัตย์แห่งชตราวดีทรงเปื้มปิติตื่นเต้นจนไม่เป็นอันประทับอยู่กับที่ได้เมื่อทรงทราบว่าพระราชนดาแห่งกัมปิละได้ถวายสเสวตกุญชรมาตามที่ทรงขอไปทรงจัดการฉลองสมโพธช้างเผือก น, นั้นเป็นเวลาเจ็ดที่พาราตี

ด้วยเว้นเสียมิได้ที่จะทรงคิดไปว่ากษัตริย์สองพระองค์แห่งอโยธยาและกัมพิละนั้นมิได้มีบุญบา ร, รมีที่จะรับมงค์คอนธีนั้นไว้ในพระมหานครแห่งตนช้างมงคลอันมีค่าจึงต้องตกมาอยู่ในอารักขาของพระองค์ซึ่งนับเป็นผู้มีบุญญาธิการอย่างสูงยิ่งเมื่อทรงปลารอบอย่างนั้นก็ทรงกระยิมยินดีในบุญบา ร, รมีของพระองค์อยู่เป็นอันมากเป็นการน่าเสด็จว่า

ในวันที่เจ็ดที่มีการสมโพธ์มงควรหัตถีนั้นอยู่ดีๆช้างนั้นก็สะบัดเครื่องพันธนาการหลุดวิ่งออกจากโรงสมโพษ์ออกนอกประตูเมืองหายเข้าป่าไปไม่ทันที่ขวัญช้างจะรู้ตัวและออกติดตามทันปล่อยให้คนทั้งหลายวุ่นวายคิดกันเอาเองว่านี่เป็นอย่างไรกันและปล่อยให้พระเจ้ากรุงสัตราวดีผู้กระยิมยินดีในบุญบารมีของพระองค์ทรงนั่งตะลึงในเหตุการณ์

ทั้งนี้ด้วยความสรดพระราชรัทไทยมิรู้วาย